บุ๊กทูห้าสิบแ a ดเจ็ดสิบแปดอะวัยวะชั้สติเจล r าผมวาดรูปผู้ชายเริ่มจากศีรษะก่อนในรลา ผู้ชายสวมหมวกมมอมองไม่เห็นเส้นผม nie no. มองไม่เห็นหูด้วย tak isto nie no. มองไม่เห็นหลังด้วยบ no. ผมกำลังวาดตาและปาก นาคร a ผูชออ้ชายคนนี้กำลังเต้นรำและหัวเราะมูชดัผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมูชมดดเขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาวรุกามา pal ิุ เขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วยมันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็นยยนะแขนแข็งแรงรขาก็แข็งแรงด้วย น้องฮิซผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะมูชเยซอสเเขาไม่สวมกางเกงและเสื้อคลุ ม, ม แ, ลแต่เขาก็ไม่หนาวสัน่ น, น, นเขาคือตุ๊กตาหิมะ Je to s n ě h u l a k